หรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาทีละน้อยแท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นแน่นอนเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ ลวพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่อัลลอสงสารบ้างดอกหรือว่าเงาของพวกมันจะทอดไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อกราบต่ออัลลอ โดยที่พวกมันนอบนอ้อมต่อพระอง์และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายและมารยะคจะกราบต่ออะค์โดยที่พวกมันจะไม่หยิ่งพะยอ ยِ่ขَ้ و ْ ق ร ه บหุมม ي َ ف ْ ع َหُมวَ مَا ي ُนมาَุม و ن َพวกมันจะกลัวพระผู้อวยบานของพวกมันผู้ทรงอำนาจโดยจะปฏิบัติตามสิ่งที่พวกมันถูกบัญชาชายว่ากล้วลาลลาตัตทัคดูอีลาเฮยีทเนย ละอัลลอฮฺตรัสว่าพวกเจ้าอย่ายึดถือพระเจ้าสององค์แท้จริงพระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจำต้องเกรงกลัว และเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการพักดีต่อพระองค์เท่านั้นจำต้องมีเป็นประจำดังนั้นพวกเจ้าจะยำเกรงผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือ และไม่มีความโปรดปรานใดๆที่พวกเจ้าจะได้รับนอกจากมันจะมาจากอัลลอ์ดังนั้นเมื่อความทุกข์ยากได้ประสบแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็จะคร่ำครวญต่อรไป كم, แล้วเมื่อพระองค์ทรงปลดปเปลื้องความทุกข์ยากนั้นออกจากพวกเจ้ากลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าก็จะตันงพาขีต่อพระผู้อบิบาลนของพวกเขาโดยทันที เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้แก่พวกเขาดังนั้นจงอย่าร่าเริงไปเถิดและพวกเจ้าก็จะรู้และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ให้เป็นที่เคารพ บ, บูชา อันเป็นส่วนได้จากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาขอสาบานต่ออลัลลอฮ์พวกเจ้าจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้ากุกขึ้นมาและพวกเขาตั้งบุตรีให้แก่อลัลลอฮ์ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสำหรับพวกเขานั้นมีสิ่งที่พวกเขาอยากจะมีคือบุตรชายและเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่าได้ลูกผู้หญิงใบหน้าของพวกเขาได้กลายเป็นหมองคล้ำและเศร้าสนุก เขาจะหลบซ่อนตัวเองจากกลุ่มชนเนื่องจากความอับอายที่ได้รับข่าวอย่างนั้นเขาจะเก็บมันไว้ด้วยความอดสูหรือฝังมันในดิน พึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้นช่างชั่วช่ายิ่ง ز ز สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันประโลกนั้นมีตัวอย่างที่ชั่วและสำหรับอัลลอ์นั้นมีตัวอย่างที่สูงสง่ง และพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ แล้วอัลลอฮ์จะทรงเอาโทษมนุษย์เนื่องจากความอาธรรมของพวกเขาพระองค์จะไม่ทรงเหลือทิ้งไว้บนมันคือพันดินซึ่งสัตว์โลกใดๆแต่พระองค์จะทรงประวิงเวลาให้แก่พวกเขาจนถึงเวลาที่กำหนดไว้เมื่อวาระของพวกเขาได้มาถึง พวกเขาจะประิงเวลาให้ช้าสักชั่วโ ม, มงหนึง่งก็ไม่ได้และพวกเขาจะเร่งให้เร็วไปสักชั่วโ ม, มงหนึง่งก็ไม่ได้และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาชิงชังให้อัลลอ และลิ้นของพวกเขากล่าวเท็จขึ้นว่าสำหรับเขานั้นดีเยี่ยมแท้จริงสำหรับพวกเขาคือไฟนรกและพวกเขาจะถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ความจริงเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตไปยังประชาชาติต่างๆก่อนเจ้าแล้วชัยตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่เพลิดเพร้วแก่พวกเขาดังนั้นมันจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาในวันนี้ และสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันเจ็บปวดและเราไม่ได้ประทานคำพ์นี้ลงมาแก่เจ้าเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้เจ้าชี้แจงแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน แล้เพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้สัลลส اء, รรทธ า, ล า, ลาลแล้วพระทรงประทานน้ำลงมาจากฝากฟ้าเพื่อให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้น หลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มผู้รับฟังการตักเตือนและแท้จริงในปัสุศะ ย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้าเราจะให้พวกเจ้าดื่มจากสิ่งที่อยู่ในท้องของมันซึ่งกลั่นมาจากระหว่างมูลและเลือดเป็นน้ำนมบริสุทธิ์เป็นที่โอชาแก่ผู้ดื่มทั้งหลายววมินมรา า, นาบ และจากผลของต้นอินทผลัมและอางุนพวกเจ้าได้เอาจากมันมาเป็นของมื่นเหมาและเครื่องย่างชีพที่ดีแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา و أ و า أن และพระพวิบานของเจ้าทรงดลใจแก่พึ่งว่าจงทำรังตามภูเขาและตามต้นไม้และตามที่พวกเขา ه ه แล้วเจ้าคือพึ่ง จงกินจากผลไม้ทั้งหมวลแล้วจงดำเนินตามทางของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าอย่างสะดวกสบายมีเครื่องดื่มต่างๆที่มีสีสันออกมาจากท้องของมันในนั้นมีสิ่งบำบัดแก่มนุษย์แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ตึกตรองอย่างแน่นอน َاللَّاهُ خَلَقَكُمْ يَتَوَفَّاكُمْ ลาวโลวนั้นทรงบังเกิดพวกเจ้าแลวทรงให้พวกเจ้าตายแลวบางคนในหมู่พวกเจ้า มีผู้ที่ถูกนำกลับไปยังวัยต่ำสุดของชีวิตเพื่อไม่ให้เขารู้อะไรหลังจากที่เขาเคยมีความรู้แท้จริงอลร้อนนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเดชานุภาพ هم هم และอัลลอนั้นทรงทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้าดีเด่นกว่าอีกบางคนในเรื่องของปัจจัยอย่างที่แล้วทำไมบรรดาผู้ได้รับความดีเด่น จึงไม่แบ่งปัจจัยอย่างชีพของพวกเขาแก่บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเขาครอบครอบเพื่อพวกเขาจะได้เท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเขาอะกะตันอยู่กระนั้นหรือ ة ه ละลอส่งกำหนดผู้ครองแก่พวกเจ้าซึ่งมาจากหมู่ของพวกเจ้าเอง และทรงทําให้พวกเจ้ามีลูกหลานจากคู่ครองของพวกเจ้าและทรงประทานเครื่องยังชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้าดังนั้นต่อสิ่งเท็จกระนั้นห ร, รือที่พวกเขาศรัทธาและต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กระนั้นอที่พวกเขาเนรคุณ และพวกเขาจะเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์คือสิ่งที่ไม่มีอำนาจให้ปัจจัยยังจีบแก่พวกเขาจากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินตอย่างใดและพวกมันก็ไม่สามารถกระทำได้ดังนั้นพวกเจ้าอย่ายกอุทาหรนทั้งหลายแก่อัลลอฮ์เลยแท้จริง อัลลอฮนั้นทรงรอบรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้ อ Allah ลลอสอ่งยกอุทาหรนถึงบ่าวที่เป็นทาสไม่มีอำนาจในสิ่งใดๆและกลับผู้ที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีจากเราแก่เขาแล้วเขาก็บริจาคมันไปทั้งในทางลับและทางเปิดเผยพวกเขาจะเท่าเทียมกันหรือ การสรรเสริญเป็นสิทธิท่ของอัลลอฮ์แต่ทาว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ ลแล้วส่งยกอุทาหอนถึงชายสองคนหนึ่งในสองคนเป็นใบเขาไม่สามารถกระทำสิ่งใดและเขาเป็นภาระแก่นายของเขาอีกด้วยไม่ว่าแห่งใดที่นายจะส่งเขาไปเขาจะไม่นําความดีใดๆมาเลย เขาจะเท่าเทียมกับผู้กำชับในทางที่เที่ยงธรรมและเขาอยู่ในทางที่เที่ยงธรรมกระนั้นหรือและเฉพาะอัลลอฮนั้นทรงรู้สิ่ง ค้นยานวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพันธิตและเรื่องที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นไม่ใช่อืน่นใดนอกจากเพียงชั่วพริบตาดิยหรือมันใกล้ ย, ยิ่งกว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งวอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮลลอฮอัลลอฮฺอััลอฮ และลลอฮนั้นส่งให้พวกเจ้าออกจากคันของบรรดาของพวกเจ้าโดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยและพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยินและเห็นและมีหัวใจเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ ي ي พวกเขาไม่เห็นฝูงนกดอกหรือว่าพวกมันได้รับความสะดวกในห้วงอากาศแห่งชั้นฟ้า ไม่มีผู้ใดดึงพวกมันไว้ได้นอกจากอัลลอฮ์ถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธาวัลลอฮฺเจ้าเล่นคุมมินบุยูติคุมส ك กและว่าเจ้าเละนคุมมินจุลูดิลอันงามบุยูตันตัสตัชฟุนฮาเยวมะฟางนิคุม ลแล้ว Allah ทรงทำให้มีที่พานักในบ้านของพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีบ้านที่ทำจากหนังสัตว์ซึ่งทำให้พวกเจ้ารู้สึกเบาในยามเดินทางของพวกเจ้าและในยามพักของพวกเจ้า และจากขนของมันและปุยของมันและผมของมันทำเป็นเครื่องใช้และสิ่งที่มีประโยชน์ชั่วเวลา ันอมคุณแล้วพระองค์ทรงทำจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นเงาร่มแก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงทำให้ที่พักพิงจากภูเขาให้แก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงทำเครื่องนุ่งห่มให้แก่พวกเจ้าเพื่อป้องกันให้พวกเจ้าให้พ้นจากความร้อนและเสื้อเกราะ เพื่อพอกการพวกเจ้าให้พ้นจากอันตรายในสงครามเช่นนั้นแหละพระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนเพื่อพวกเจ้าจะได้นอบน้อมต่อ อ, อัลลอฮ์ดัง น, นั้นหากพวกเขาผินหลังให้ถ้าจริงหน้าที่ของเจ้าคือการแจ้งข่าวอย่างชัดแจ้งเท่านั้น อย่อาริฟ <ovat S 3> ูนะนิอมะตัลลอฮิทุมมายุนกิรูนะฮาวะอักษัรุฮุมุลกาฟิรูนพวกเขาตระหนักดีดึงความโปรดปรานของอัลลาะแต่แล้วพวกเขาปฏิเสธมันและพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธสัทธาวะยะยุมะนบาอ์มินกุณลิอุมมะตินชหีดันซุม และในวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ถูกอนุญาตและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้ดำพันถึงความผิด และเมื่อบรรดาผู้อธรรมได้เห็นการลงโทษมันจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่รับการพิจารณาให้ผ่อนปรน และเมื่อบันดาผู้ตั้งพาคีได้มองเห็นเจวิดของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของเราเหล่านี้คือเจวิดของพวกเราซึ่งพวกเราได้เรียกร้องให้ขอรบบูชาอื่นจากพระองค์ ดังนั้นพวกมันจึงได้กล่าวตอบว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นผู้โกหกและในวันนั้นพวกเขาจะยอมจำนวนต่ออัลลอ์และสิ่งที่พวกเขาได้เคยกุขึ้นมาก็จะสูญหายไปจากพวกเขา ب ب บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นทางของอัลลอฮ์เราได้เพิ่มการลงโทษให้แก่พวกเขามากขึ้นเนื่องจากพวกเขาได้ก่อกรรมทำชั่ว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 และวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติเพื่อเป็นพยานต่อพวกเขาจากมูชนของพวกเขาเองและเราก็นำเจ้ามาเป็นพยานต่อพวกเขาเหล่านั้นและเราได้ประทานคำภีให้แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่งและเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม แท้จริงอัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรมและความดีและการบริจาคฐานให้แก่ญาติใกล้ชิดและให้ละเว้นจากสิ่งลามก และความชั่วและการอาธรรมพระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึก อและพวกเจ้าจงปฏิบัติตามพันธสัญญาของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วนเมื่อพวกเจ้าได้ให้สัญญาไว้และพวกเจ้าอย่าได้บิดพรียวคำสาบานหลังจากได้ยืนยันมันและแน่นอนพวกเจ้าได้เอาอัลลอฮ์เป็นผู้ค้ำประกันแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يدل و ك م الله به و ل يبين أن لكم يوم القيامة ما كن ت م ลและพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นนางที่คลายเกลียวได้ของนางหลังจากที่ได้ปั่นมันให้แน่นแล้วโดยถือเอาการสาบานของพวกเจ้าเป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้าเพื่อที่จะให้กลุ่มชนหนึ่งเข้มแข็งกว่าอีกกลุ่มชนหนึ่งแท้จริงอัลลอฮ์ทรงทดลองพวกเจ้าด้วยการสาบาน และแน่นอนพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเจ้าในวันพะโรโลกถึงสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกัน แล้วานจะสงอไป่ระองสงรอง์ปส่ประส่งนอค์่พระองค์ไพระองค์ไสงะอ่พรองค์ไปส่พระองค์ไประอประองค์ไปส่งพวกองค์ไปส่พระปสงระองค์ไ่พระองค์ส่งพระองค์ไประ ส, งงะะส่พระองค์ไปงพรงค์ไ่พระองค์ปสงระงปสงระค์ส่งพระอค์่งะงสงะอประงสงรองค์ไป่งพระแง่งรอค่พระองค์ประงปสงระค์สงะค์่ะอน่อ เจ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้แล้วไว้และพวกเจ้าอย่าถือเอาการสาบานของพวกเจ้า เป็นการล่ลอลวงระหว่างพวกเจ้ากันเองแล้วเท้าก็จะก้าวพลาดได้หลังจากที่มันมั่นคงแล้วและพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสความชั่วเพราะพวกเจ้าได้ปิดกั้นทางของอัลลอฮ์และสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหั น, นาตาล และวพวกเจ้าอย่าแลกเปลี่ยนข้อตกลงของอัลลอฮ์กับราคาเพียงเล็กน้อยแท้จริงนะที่อัลลอะ์ย่อมดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้มา สิ่งที่อยู่กับพวกเจ้านั้นย่อมหมดไปและสิ่งที่อยู่กับอัลลอฮนั้นย่อมคงอยู่และแน่นอนเราจะตอบแทนบรรดาผู้อดทน ซึ่งรางวัลของพวกเขาดีย <drafted> ิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ ผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเราจใจเขาดำรงชีวิตอยู่อย่างดีและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทาไว้ آن, ดังนั้นเมื่อเจ้าต้องการจะอ่านอัลกุรอานก็จงขอความคุ้มครองต่อลอให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาแช่ง